ม่มใใม่อวานยังไม่ได้ไปเขายปั่งกระทานนี้ไหมเวาหลวงปู่ันแล้วหลวงปู่รับสังฆทานแน่ผนา ว, าว่าแต่สวายท่อนยังไม่ให้พรเลยสวายเราไม่ได้ให้พรก็ว่า พระเอาแล้วไ่ให้พรจะไวไครั้งเดียวให้เมครั้งเดียวก็จบไปเลยผเก่าก็บอกว่าคนที่มาใหม่เอาของมาวางตรงนี้แลยนึกลูกร่ทังหลังบุญก็จกว่าคนไดมาใหม่มาเก่าแล้วแบบแบบแล้วทุละสิไปแล้วขุา่าเยอบุญชีบุรเยอะก็ไ่ได้ไป Ens, เไเป็นระเบียบดีๆีรเพระเตุน้ำกันพม่แต่แต่แหกคิ้วไปเรื่อยตัวเนี้เดียวกันแต่ในตงลกเรืองน้งเกลียวกันน้ำกันเวากะนั้มเนเบาพระละพดพระละพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแหละช่วยพระละเออมิตรเตองไป เฝาไปใส่โยตฉันนังก็ไม่ได้ไปนั่งเฝานั่งเห็นอยู่หันละมันหวงเองเป็นเว้ยฉันต่อหน้าคนเจ้าพระสงฆ์กจะหามทายลูกทายนั่นแต่นี่บางทีเผือเขาไปข้ามข่อยก็จะทายไปว่าพระข้ามข่ายแต่เป็นว่าเน่าผิดเหตุเอาเลี้ยงก็อย่างตัวคน มันบอกนี้มันว่าอะไรนี้แต่น่งเขาเดียวมันว่ า, อาของบาคิเบื้องเอง <c oughs> มีอะไรก็ต้องบอกคนมาก็ไม่รู้จักก็แนะนำเขา <c oughs> แล้วทางว่าเปล่าเหี้ยใต้ตั้งแต่แรกโดนไปมื่กีญญ้น่เพราะฉะนั้นอาคารทางโลกเขาสร้างเขาอะไร แข็งเท่าไหร่ก็ตีลงไปตีเข็มลงไปตอกเข็มลงไปเอาเข็มเล็กทํามันใหญ่ขึ้นมาถ้ <c oughs> พาพเท่าไหร่ถ้าเจาะถ้าตอกไมได้ก็ใช้เจาะเอาสวันผุนลงไปลึกเลือกมันแน่นหนาถาวรหน่อถ้าเบื้องต้นแน่นหนาถาวรน้องผมใช่นาน มุมค่าอันนี้ก็เหมือนกันเน่เราฝังฝากไว้ฝังเอาไว้เริ่มเอาไว้ทําเอาไว้แล้วก็ผู้ที่สานต่อก็ต้องพยายามแน่นหนักอันดั้งเดิมยมผู้เข้ามาที่แรกก็รักษาอันดั้งเดิมเอาไว้อยาวันไว้ถึงถึงมันจว่าจะเป็นนานไปนานไปก็จะเป็นผู้ยืนหลัก รักษาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเอาไว้รักษาปฏิปทาพระแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้อย่งน้อยที่สุดแต่ <c oughs> ะละแห่งแต่ละวัดก็มีหัวหน้าแทนไว้หัวหน้าแทนไว้หัวหน้าแทนไว้ที่นี้ผมกดเสื่อมไปเสื่อมไปเราไปมาก็ไม่ถือหัวหน้าแล้วมัน <c oughs> มันก็จะเข้าทําหัวดําไปก่อนหัวดอนตามหลังไปแล้วบัด <c oughs> ไม่ทันสมัยว่าสิ่งนี้บัด โบราณคือข้าราสมัยอนตัวก่อนสมัยจะรวดสมัยส่วนรวดยักว่าส่วนรวดภาษากลางเขาไม่รู้จักสมัยส่วนรวดแต่รวดจะรวดกรทั้งโวกเขารวดเดีวอันนี้ก็ส่วนรวดก็รวดเดีวคือกันนะยักยังหมู เท่ห้ามใสตัวไหมันสวดกับฝ้าเขาก้อนแง่ไว้แง่ไว้ก่อแง่ไวแง่ไว้ไว้มือของมะกลยกินอิ้มเจก้อนเหมือนย่างทั้งสดันใ้เงแ้ยขวานขวานส่นั้นรวดบ่กูอยู่ในคำสอนของพุญเจ้าสวดมาได้ปากกิเลสข่ากิเลสแล้วพอกินเพิ่มอยากแล้วพอปากพิ่มเครียดลาโกรก็มาจากพูดเนีย ก็ปราบจิเลธเอาไว้อดใจได้เป็นพักนะถามโยมไปโยมวันนึงก็ถามข่าวว่าไปดูใจบ่อเคยรักษาใจบ่อเคยเห็นลมบ่อเคยเห็นสวรรค์บ่อปุ้ยบ่อท่านเท้าสุดต้อนกับนั่งมโนเอาสุด้นนั่งมโนไ้เจ็ดปีเจ็เดือนเจ็ปเจ็วัน่นถามกระจะาวังจักว่านังมโนได้ยังไส <laughs> โโนมโนคือใจมนโนภุพังกรรมมาตามามนโนเศรามนโนมารยาทำทั้งหลายมีใจใจของคนอยู่ไหนละ่ะเติมขึ้นมาหังจากเมื่อพูเงินบละผู้เขาจะได้หวัวใจนี่เห็นบหมนั่น <c oughs> ใจของคนไปอยู่ตรนั้นเมืองพูขึ้ น, น, น, น, ข น, น, ขนเป็นน้ำมหาใช่ก็อดทนน้ำมหาจังใดก็บอก่อดทนเบิ้งใจได้ไห นางเบื้งล้มหายใจเขาออกก้อนรับกอน น, อนั่นเคยเบิ้งบอ๊บอบอพระมีวัจุบันมีวัดมีวัจุบานมีเพื่นบอบอกี่เเคยบอกก็อยากพิเต บ, บอกเอาของมาถวายพระ <c oughs> ว่าว่าถ้าทำบุญทำสังฆทานกอนแล้โอ้พระเขเคยเห็นบุญจเจ้พควรจะบอกก็ได้แล้วเรียนเรียนเรี ย, รยได้ยูสอบได้ แต่ว่าจะว่าบุญคือจังจ้งไหนแั่ไดนบัดบุญคือลําุ้ยคือโยมเราบันไปคือโยมเราบันลำลุวยน่ะมันรกลําร้ยคือบาปสวยงามคือบาปคนมาชอบไม่หักกันหวงกันหึงกันลําุ้ยของไม่ยืมบอกมาส่งทะเลาะกันขากันเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกกันเบิ้งล้มหายใจเขาออกสบายเพราะแต่เบิ้องตล้มเขาล้มบ อ, อก คนบ่มมักสงบคนบ่มหมักก้มสูบคนบมักทุ บ, บ, บฟังตว่าฟังตะเสือมค้นคค้นคเหมือนพวกเซติลีก็่เป็นมนุษย์แต่ละพระท่านพุ่มของคนมันละค้นผนเปนคนขี้เหล้าคนขี้กระมอย <c oughs> <c oughs> เรวบอดีประใจเราสินธรรมคนมีสินธรรม ว่ามันสิ่งท่ำอยู่ในตู้นั้นสิ่งท่ำอยู่ในใจปิดกสิ่ท่ำอยู่ในใจเฮ็ดเอาเฮเบิ่งเอาเบิ่งใจนะทำว่าบวกไอเบิ่งพระพวกไอ้บอกเสียพระท่นโอ้ยนั่นแหะพระพุทธเจ้าเป็นเหามว่าเสียพระนะเสียพระพุทธเจ้าเอาคำของพุทธเจ้ามาบอกดูฟังว่าให้ทำบุญมีมลหลวงปู่มาพาทำบุญหลวงปู่ก็พาทำบุญตัว เป็นผาทำต บ, บาบอยู่เนี่ยเอาของมาตั้วไวพระพระเกิดข่วมโลึ้นมากกว่าพระนี่ก็เป็นบาปตัวนึงเห็นพระถือพระจตุปัจจัะลายน้ำจับพระจนออกไปมากก็เป็นเงื่อนท่อนวัดจังสันจังซี่เฮ้ยจับว่ได้ยุคนั่นเ่็นเพราะยังหละขาดยังเดียวคือขาดการทำบุญธรรมทิสินส้นธรรมทิปัญญาบ้านนั่นร้อยหลังคา นี่วัดหนึ่งวัดวันศีวันพระไปถามดูถึงร่อยคนไหมไปดูนั่นน่ะไปวัดดูว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมไม่ต้องไปดูที่ไหนแร้วถ้ามีคนสนใจร้อยหลังคามีคนร่อยคนเจริญนะหมายความพูดเท่าไทย่เขาพูดฉันนับถือพระพุทธศาสนาว่าสิ่งนี้แต่ ว, ว่าป่นกันจี้กันขากั น, กนคดโกงกันเต็มป่านเต็มเมืองน่าละอายขึ้นอย่ง หาความสุขเลยตรงไหนใครมึงยายสาวไร ส, สาวอยากเป็นยายนะสาวเอาสาวเอากินไได้วยไรกินเยอะหลายจะว่าขอบานว่ได้ทาด้วยหลายขอบานว่ได้ถูกนัจะเทศไปใส่แน่จรงมีน้นถูกเพาะสะนาันน้อมีก้นถูกจะหัน่นตถูกไรถึกสาบถึกแซงถึกดาถึก ค่อยต้ยังกว่าไปจนเต็มอ่ะเพราะไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรนะั่นแหละคำสอนครูเจ้าสอนให้ทําบุญทําบุญทานศีลบุญหนึ่งเป็ขาดสองอย่างได้อย่างเดียวคือทานทานทานเป็นในบุญทานไม่เป็นได้บาปบ่านก็เกิดมานกมาเตี๋เดียวคนดอกไหม่มาโอ้ยมันปิดได้นั่งว่าเน่ะ ถ้าพุทเจ้านี่เอาดอกบัวคือหัวใจให้หัวใจมากกามากไหวนมองเม้าเขาเป็นดอกบัวระวางหัวใจนี่เนี่ยมื่อมันเอาดอกบัวไปหาไส้แก่กันเอาน้ำไปใส่ยุ่งไปหาตอดคนได้บุญที่ได้บาปเป็นบาปเป็นกรรมผิดทั้งท่ำผิดทั้งวินียเหุ้ผู้อื่นหลงทางเดินจกเที่ยวทางโค้งหงลายมัติเขืงหลายมัติคําม้าตะปัวเามัติสาคำท่งเปนอาเก็บ แต่วกว่าจะอ้อมไปใส่ในกุฏิมาหอดวัดเะฉะนั้นแรงเพราะมานันาเขาเมื่อไปหลายเราเด้ไม่ได้อายุหลายเด้จากว่าแรงเพราะมานันาออกจากทีไปแล้วเขาทีต้องแรงยกเพราะนั่นมันกับมาบวกเราพุ่นหันมันจะอยู่ได้เพราะสมองประมาณหนึ่ง ติดอยู่ในใจเพราะโม้วนว่าไปนั่นไปนี่ปุ่งนั่นปุ่งนี่สันทาเหตุมันยังปุ่งไปไงแล้ววเตถิชนทุตแล้วบาด <c oughs> เอาทัานบัดนี้เรามีเพศแตกต่างจา ก, จากขารือหัดแกลกกิริยาอาการใดๆอันบันผักคิควรประเพิดรตรวจสอบจะของเันตัวไหนข <c oughs> งโลก เท่ารธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความจึดติดโลกเข้าไปแล้วดดดีเบื่อหน่ายก็ไปไปปรุงแต่งอะไปาความปรุงแงเดน้มันก็ปรุงแตงไปปรุงแตงไปิป้ น, ส, น, น, นสุดปุกใจก็ไปยนปรุงแตงนะบ เรีว่าสังขารเนี่ยความปรุงแต่งสังขารคือความปรุงแต่งมันปรุงแต่งปรุงแต่งละเอียดน้ํามันอีกมันก็ยังไปง่ายแล้วให้ทานละประโยชน์กุลละเนี้ยประโยชน์ได้ประโยชน์ประโยชน์โลกิยะประโยชนโลกุตระคือเอาตัวรอดเปน็นยอดดีตอเฝ้าเห็ดเฝ้าต้มเฝ้าทอดเฝ้าไฟไฟเมือ่อใดสร้างหัวมันได้เศ้าขฝ้เก็น อันตายนทาตนตายนเห็ดนั่นเห็ดนี่หุ่ไป่าคือเาดโอเห็ดนั่นพทันเดาโอ้เห็ดนี่พ่ทันเา น, น, เยนอยๆมันกติดเจ้าของมาซ่ ง, งตขงีของวัดศรีธารตุลาจ้ค่ะเนยังไล่ะงพระทานเปิดจ้าค่ะป็ื่อบอของวัดของวัดจ้าค่ะลงซวัด ของวัดต้องมากไปแต่แล้วไ่อไห้าเขาบางที่เป็นยาบอกองเง็อย่างวันจิตมาแต่วันที่16เผมาเดี๋ยวนี้ก็มาได้ยินข่าว ลอยใหญ่บุญกองผมยุ่อยกองเรามาจะมาฝากของฝากใต้มากผมเนี่ยต้อไปเรื่อยต้อไปเรื่อยได้เราถึงประเดี๋ยวมากเลยมากก็บอกตัก้งแต่วันที่สิบหกเมื่วนที่ตลัาจัมือแล้ว่ิบถึงวันที่สมมิบเ็ดวโลกมาถึเศ้าก้อนให <c oughs> <c oughs> แล้วอเอาม็ปเตยปตั้งตรงมุมานแ้วนอน เขาบอกมาซ้ำผมใส่มาเาลูกใส่จัยึดสาเยมาไม่ไปพุ่นไช่แต่พูเลยแตใส่ใส่แบบมาจนว่าพอมีแล้วใส่ตอดแบบพดเลยก็ไม่ได้อยากง่ายครับเห็นแต่แกตัวประโยชน์ส่วนตประฏิประโยชน์ทวนตานทานไ่ได้ต่ันเขาบอกเปาอย่างมากว่าม่ได้หน่อยแค่เอานเดียว ได้ถุงมากแต่ด้เขาตนนกินน่าเด่นไปหลายหนาวปะล่ะเมือข้าวหนาวัา ข, าวาววข้า ว, วช่วยได้าต้องสอนะนี่ <ๆ S 2> พวกนั้นทั่วไปถามข้าวมันบอกมื่อข้าวมาถารับทดลถามนำมีไดนโว่ไปถามข้าวว่าปลาตายเปน็นยังไงโอ้ยตายชื่อกลิก่เหมือนเนี่ยได้สาม ร้อยกว่าตัวคั่นปลากุงสะนั้นมันหลปลาขาวสะนาพาเกี่ยดีหินน่ะแล้วก็บนหังคนก็เอาของไปให้มันหลมันก็จะหลมีแต่ปลาแม่ไข่โอ้ยเบ็ดปุ๋ยก็ปกเผาได้วยับท่านประมา้นต้นปลูกเผวก็งองไปต้มแรก นับว่าใดเป็นตันตันผืนว่าถึงวิตาเนีเดียวมันไปตือนน้าแต่เมื่อน้ำมื่อแห้งก็น้ํามื่อนั้นแห้งก็มุดล้มมาว่าันตัวเนี่ยวางแหงก็ละแหงของไปทังตายอยู่ที่ก้มันไปเตือนน้ใบไม้ใบยังไหลลงไปนะก็ตือนเพราะวันเย็นมันเรียกว่าปลาซอกน้ามน่าวบอกมัแหงแห้งแลงดร้อนลงไปนี่ก็เป็นแล้ว สามมือนันนกปาตะเคียนบงั้นเหื่นกินมัดหลวงพ่อหลวง ป, ง ป, ง ป, ปู่นี่คือกันเนี่ยมัะปาเงี้ยๆบบมือปาหน่อยๆเนี่ยๆออกลูกว่าไรปลาซิวดับมดแต่ก้อนเหมือประเตี้ยไตมีตะปลาวเรื่องนี้ปลาใคือขาจะอะไรกินมัดผูมีธรรนี่ัตปลาขาน้องนั่นปกขามันหลแตมันตายเล้วสเสด็ไปเร็วแล้ว ไปฮะน่ะเห็นตั้งแมัน ไ, ไปซอยขากวไดใดเขาเอานไปแกะไตตามเกือตามมีเอา<ม>น่แล้วเขาปูนขาวไปอันตัวเอามาใส่แล้วแล้วกันมันต้องวามสะอาดผาหนามย่อยย่น้ำพวกหนึ่งก็ตกลงผ้านามนย่อยก็มั่งขนเรงขว่าตันนี้เร<ม>ื่องเขาอัานดห้องมันหย่งมันอืม พี่มันสบายเสร็จแล้วเข่าสมาธิบ่อนบ้านหนาวไปเลยกาลังดีๆามนี้นั่งน่อยเขาบอกงห้องบ่อหดนั่งเขากับหอนอุ่นดีโยเพราะว่าไม่ได้ไปเห็นเวียกิ่งงานกิยาดกิ่งห่มเ ข, ขาทีห้องผ่าเขาไปมันก็หอนก็เก่าแลแต่ห้องบกไปหยิบไปถือมันก็บ่มีดอกหนาวมันเป็นนาเข้าว่ากันว่าตอนด้ยังหนาวยังจีคานกัน กูตั้งใจมากตั้งใจปากปฏิบัติต่อไปไฟหนาหิ่งยากต่อไปไฟหนาเพราะมันเป็นมาจากทางโลกมันก็เข้ามาสู่ทั้งวัดทั้งว่าทาั้ทงจิตทั้งธรรมคือเขา <c oughs> คนฝึกบดได้คือตะกอนตะกอนฝึกได้รักว่าให้ผูกรักลูกให้ตีทําบอล้านบรรุมือตีบดได้เลยได้ใจบางคนก็จ้างเข้ามาบวช เขาทำใจเจ้าของอย่างนี้จ้างเขามาบวชให้หนึ่งแสนได้ภรษาหนึ่งให้หนึ่งแสนสองแสนบาไปรับในอาทิตย์หนึ่งให้หนึ่งแสนบวกพวกนิดน่อยนักเรียนบวชชาวะชชนปิดเทอมอ่ะจ้างบวชคนนี้แต่บวชค่าใช้จ่ายหลายก็อหนึ่งแสนบวชได้บัตรเขาครับขอบ า, บ า, บ า, บากินเหลากินจา้ากี้มาใส่ทนกันเล่นตนีจับตึงผู้ปกครองบวได้บ สราคอนลูกเตาเอาเอาลงไป <c oughs> ยงมีภาคายิจารานแจกแจกเงินในคนจนแจกเงินในไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เออเอา <c oughs> ให้ดอกไี่ปวกไตขานเที่ยวไปด่ากันจงใหมกันลงไป อาภรณ์บโนกาวิโมตาปัสสันตาภวัจิโตสาภเวรมติเตน ใชา